ท่านฟังที่ครบคะ่ะตอนนี้จะพาท่านไปที่อําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีเลยนะคะไปพบกับพระอาจารย์เพยบุญอยู่ที่นั่นเพราะว่ารายการเราท่านเองก็นั่งอยู่ทางโน้นเป็นต์เองก็อยู่ทางกรุงเทพนะคะอาศัยเทคโนโลยีทําให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยคุทธวัฒนะจากพระเผยบุญอภิปุนโนนะคะนมส ก, การมกันท่านคะ่ะญาชรินพานค่ะก็ยังฝนตกอยู่ไหมคะ นนก็ยังก็ยังมีอยู่บ้างมีทุกวันเลยวัดท่านมีน้ําท่วมไหมคะเออโอ้ปีนี้ปกติจะไม่มีนอกจากว่าบางปีตั้งแต่ตั้งแต่มามาอยู่นี่ก็ยังไม่มีนะแต่ท่านหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่น้ําท่วมค่ะปีหนึ่งเมื่อคันแต่ถ้าฟังชื่อจากดอนหายโศกเนี่ย น, น่าจะเป็นที่ดอนที่ดอนถูกต้องเป็นที่ดอนนะะที่สูงทราบมาว่าวัดนาป่าพงของท่านมารกับท่านจานทร์คริส มีน้ำท่วมเลยคะ่ะฝนตกมากนะทางนู้นนะเพราะว่าเป็นที่นาค่ะใช่แถวนั้นชื่อนาป่าพงแต่บ้านดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นที่นาเลยนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนในหมู่บ้านนี้ทุกถนนน้ำท่วมขังหมดอ๋อคบายไม่ทันนะลักษณะ น, นั้นค่ะก็เผื่อแผ่กันทั่วถึงแต่ไม่เป็นไรนะค ะ, ะมีน้าดีกว่าไม่มีน้าตอนนี้เราก็มาพบกับเนื้อเลยะคะ่ะเป็นเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ท่านพ้บูลนมามฟ้า พุทธประวัติจากพระโอส์ค่ะในเรื่องของพุทธประวัติก็ยังอยู่ในหมวดของเกี่ยวกับสาวกนิดนึงนะว่าพระองค์กับสาวกเนี่ยจะมีการกล่าวหลักธรรมตรงกันเสมอในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะตั้งแต่ไปการเกิดการแก่มีเพราะกิดการการตายการแก่เนี่ยมีเพราะเหตุปัจจัยคือการเกิดไล่ไปไล่ไปจนกระทั่งภพมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณ ก็จะมีการกล่าวตรงกันเสมอ ค, คือจะจะเป็นทําไม ถ, ถึงถึงตรงกันเสมอคะเพราะว่าท่องกันเพราะว่าเข้าใจตรงกันใน <ะ S 2> อย่างหลักการในเรื่องของปฏิจจสมุปาเนี่ยคือเราเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจในจิตดังนั้นเวลาที่พระเจ้าจิตของเรากับจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของสาวกคนอื่นเนี่ยจะมีการทํางานแบบเดียวกันถ้าคุณเข้าใจหลักการทํางานตรงนี้เนี่ยเวลาพูดก็จะพูดเหมือนกัน ค่ะแลปะปฏิจจสมุปบาทนี่คือหลักการอะไรคะคือความเป็นเหตุเป็นผลของการที่ต้องธรรมะแต่ละยาเนี่ยต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะอันนี้มีไม่ใช่อยู่ๆมันลอยขึ้นมามันต้องมีเหตุของมันค่ะคําว่าธรรมะในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคะอย่างเช่นเราหยิบตัณหามาเราหยิบเวทนามาเป็นธรรมแบบไหนก็ได้สักอย่างหนึ่งนะเร า, เราสมมุติเราอยากดูบุหรีร่อย่างเงี้ยเอาทำตัวอย่างนี้มาเอ้มันมีเหตุอะไรมาเกิดมาก่อนอ๋อมันมีเวทนา นะถามใครก็จะตอบตรงกันสาวกของพระพุทธเจ้านะมีความพอใจใช่ใช่ไหมคะมีความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ต่อไปเรื่องของพุทธวัติก็คือบางครั้งเนี่ยตัวพระองค์เองหรือสาวกบางคนเนี่ยสาวกบางรูปเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดกว่าพระองค์อย่างเช่นบางทีพระเจ้าฉันเต็มบาทสาวกบางองค์ฉันแค่ฝายผ่ามือบางทีพระเจ้าห่มผ้า ของขรรดาประดีเป็น้าเนื้อละเอียดสาวกนี่หม่ม้าบางสกุล<ะ>และบางทีพ ร, พระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารที่เขาจัดไว้ให้อย่างดีสาวกอยู่ในป่าอย่างนี้ก็มีแต่ว่าสาเหตุปัจจัยอะไรทำไมถึงสาวกมาเรียนคาสอนจากของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเห็นปัจจัยคือที่พระพุทธเจ้ารู้อริยสัจ ท, ทั้งสนีะ่ข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาดูตอนต้นๆของ พตทธประบัตินี่ยเราะทาบว่าโอ้พระเจ้าลำบากมากกว่ามากนนในเรื่องการทําความเพียร <Okay. S 1> ทีนี้ในเรื่องของการทํางานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็เรียกว่ายกย่องสาวกนะที่เป็นพระอารหันต์เนี่ยในให้เสมอกับพระองค์ในเรื่องของความเสมอกันที่วิมุติถ้จะพูดง่ายง่าคือลดพระองค์ลงมาให้เสมอกับสาวกในเรื่องของวิมุตเหมือนกันเถอะ แต่เรื่องความสามารถดื่นๆก็จะแตกต่างกันไปในของแต่ละรูปแต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันด้วยแล้วก็อย่างพูดเมื่อสกักครู่พูดถึงเหตุที่ทําให้สาวกมาเรียนคําสอนเนี่ยก็เพราะเรื่องอริยสัจถูกไหมจะไม่ใช่เพราะว่าความที่พระชจ้ามีลาภปัจจัยมากหรือว่าความอยู่เป็นสันโดษนนั้นไม่ใช่เหตุแต่เพรา ะ, ะรู้อริยสัจนั่นเองแล้วเรื่องของประวัติที่เกี่ยวกับสาวกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือปกติเนี่ย สาวกเนี่ยคือภิกษุสงฆ์เนี่ ย, ยจะต้องลงปฏิโมกด้วยกันทุกๆ15วันในะอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันปฏิโมกนะก็ต้องมีภิกษุก็ต้องมาประชุมกันละแล้วก็มาทบทวนศีลของตัวเองถ้าถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าลงอุโบสถลงปฏิโมกกับภิกษุสงฆ์เนี่ยกี่ครั้งหรือว่าครั้งเดียวหรือเปล่าก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนทราบว่ า, ถ, าถ้าแสดงโอวาทปฏิโมกขเนี่ยครั้งเดียวแต่ท่าล ง, งอุโบสถเพื่อทบทวนศีลเนี่ยหลายครั้งอยู่ มีอยู่หลายหลายครั้รซึ่งโอวัตถปติมโมกที่เราได้ทราบกันก็ในวันนั้นวันอาสารหผูชาใช่ไหมแสดงโอวัตถปติมโมกนะก็จะไม่ให้สับสนกับการลงอุโบสถซึ่งลงอุโบสถนี่ลงหลายครั้งอยู่จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีภิกษุพวกอรชีที่ทําไม่ดีอะตัวเองเป็นอาบัติระราชิกแล้วก็ไม่ยอมออกจากหมู่ไปยังมาแฝงตัวอยู่ผู้เช่าก็อาศัยเหตุนี้ในการที่ขจัดภิกษุนั้นออกไปแล้วก็ บอกว่าต่อจากนี้จะไม่ได้ลงปฏิโมกร่วมแล้ว<อ>ซึ่งตอนนั้นคงเป็นหลายหลายปีแล้วหลังจากที่ <c oughs> เริ่มแสดงธรรมเทศนาเพราะว่า<อ>ตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองสาวะถีแล้วก็ต้องอย่างน้อยห้าหปีไปแล้วค่ะ<อ>แล้วก็ยังคงสอนภิกษุเนี่ยไม่ให้ติดทายกนะคือพวกที่มาอุปตตรอุปถัมภ์แต่ให้ดูแลกันซึ่งกันและกัน นะถ้ามีเรื่องอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วก็อย่าให้เป็นคนติดตายกอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตัวเองของพระองค์เองค่ะนะแล้วก็พระองค์พูดถึงตัวพระองค์เองความเป็นอยู่อะไรเป็นยังไงก็จะอธิบายคิดว่าจะมาอธิบายในตอนต่อไปดีกว่ามีเนื้อหาอยาหิ่งกันค่ะ ความเป็นอยู่ของพระองค์เองน่าสนใจมากนะคะ<ช>เราจะต้องติดตามฟังกันว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทรงมีความเป็นอยู่อย่างไรแต่ว่าสําหรับวันนี้และวัน ก, นก่อนหน้าที่ผ่านไปก็เป็นเรื่องราวที่ตรัสเกี่ยวกับสาวกของพระพุทธองค์นะคะ<ช>ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยค่ะ <c oughs> และนี่คือความพิเศษที่ท่านเบญนํามามอบให้เราในช่วงเทศกาลเข้าศึรษาคือพุทธประวัติที่ตรัสเล่ า, าไว้เองทีนี้ต่อมาถึงเรื่องอริยสัจสี่ค่ะ เรายัางอยู่ในหมวดของอความดับแห่งตัณหานิโรธทีนี้ต้องพูดถึงความดับแห่งตัณหาว่าเพราะว่าบางทีเราจะพูดถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์นะหรือว่าความดับแห่งตัณหาซึ่งใช้คำว่านิโรธเนี่ยบางทีนิโรธเนี่ยมันคือนิโรธของอะไรก็ <S <S ต้องพูดในชัดว่านิโรธของตัณหานะพอมีนิโรธของตัณหาแล้วมันก็จะมีนิโรธของทุกข์ได้ แต่มันจะไม่เหมือนกันอยู่นะมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกชัดเจนว่าถ้าคุณละตัณหาได้นะคุณก็จะละขันธ์ห้าได้ออะจะเป็นขั้นเป็นตอนไปซึ่งซึ่งตรงนี้อรหมามีมุมมองตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมบางทีพระพุทธเจ้าเรียงใหม่เรียงเป็นทุกข์สมุทัยมรรคนิโรธก็มีอเใช่ซึ่งนิโรธ ตรงก่อนมรรคกับ น, นิโรธหลังมรรคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะนิโรธก่อนมรรคเนี่ยคือนิโรธที่เป็นตัณหาดับแต่ น, นิโรธหลังมรรคเนี่ยคือนิโรธที่ทุกข์ดับ<ม>ซึ่งพอไปถึงตรงจุดเรื่องของมรรคเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> ตรงนี้ก็จะให้เข้าใจก่อนว่าอ๋อความดับความดับเนี่ยจะมีรายละเอียดของความดับตัณหาความดับทุกข์นะจะไม่เหมือนกันทีนี้พอมาถึงเรื่องของตัณหาเนี่ยนะพระเจ้าเคยยกตัวอย่าง อันหนึ่งทีเ่เรื่องของตัณหาว่าถ้าใครมีความพอใจมีตัณหาในสิ่งใดแล้วเนี่ยก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์สมมติสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมนุษย์เทวดาอินพรหม พ, พวกนี้ถ้าคุณยังมีความพอใจในขันห้าอยู่นะก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นสัตว์นี่หมายถึงสิ่งที่ต้องวียนว้ายตายเกิดอยู่นะค่ะเช่นเดียวกันทุกคนถ้า เปรียบเหมือนกับคนถ้ายังมีมีมืออยู่เนี่ยต้องมีการยึดเข้ายึดออกมีท้องอยู่เนี่ยจะต้องมีการขับถ่ายนะเช่นเดียวกันถ้าเรามีความพอใจอยู่นะก็ยังจะต้องยึดในความทุกข์ยังไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้ยังเรียกว่าสัตว์อยู่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ยางอธิบายถึงเรื่องของความที่ถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยจะพ้นจากทุกในลักษณะที่เกี่ยวกับ ความเพลินด้วยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจไม่เพลินก็คือยกพ้นไปจากถูกได้ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยจะสังเกตว่ามันคล้ายๆกันนะความละตัณหาคตัณหาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็จะพูดกันตรงกันข้ามตัว น, นั้นเอง <Okay. S 1> ใ่ไมเพิ่งตรงนี้เราก็จะไปไว้หน่อยเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋ อ, อมันตรงกันข้ามกันลักษณะนี้นะ <Okay. S 1> ในเรื่องของความดับแห่งตัณหาก็จะไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าดับการเป็นยังไงดับ ความอยากมีอยากเป็นความอยากที่จะไม่มีไม่เป็นยังไงเพราะมันก็คือดับไปเลยค่ะแล้วก็การประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติคุณฟังธรรมก็ตามคุณไปวัดปฏิบัติธรรมให้ทานเนี่ยก็เพื่อละให้เจ้าพวกสิ่งนี้เท่านั้นสิ่งที่เป็นตัณหาทั้งนั้นแล้วก็อยาจะเป็นพวกอนุสัยบ้างตัณหาบ้างวิชาบ้างก็ละพวกนี้ทั้งหมด นี้ต่อไปก็จะต้องพูดถึงธรรมะที่เป็นไปที่ดับแห่งตันหาคือตัวตันหาเราดับเราเข้าใจละทีนี้เรามาดูธรรมะที่พอดับตันหาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น <Okay. S 1> คือหมายความว่าคือดับตันหามันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจะเรียกธรรมนี้ว่าอะไรนะก็คือ น, นิพพานนั่นเอง oh, ก็ใช่ไหม <okay. S 1> สมมุติว่าเราดับตันหาได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเหลือนะขันธ์ห้าก็หายไปอะไรก็หายไปเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ เกิดจากการดับของตัณหาสิ่งนี้ก็ผู้เจ้าใช้คำว่นนนานิพพานนะซึ่งบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งเนี้ยมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แต่ว่าความยาวความเล็กความสั้นความใหญ่ความงามความไม่งามพวกเนี้ยไม่หยางลงได้ดินน้ำไฟลมไม่หยางลงในนี้นะเราก็ไม่ใช่ที่เที่ยวของปุตุชนเป็นที่ที่มันก็ไปไม่ถึงนะแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงจากดาวสุกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่มีแสงในนั้น แต่ความมืดก็ไม่มีด้วยเหมือนกันน ะ, ะแล้วก็ไม่ใช่ถึงไม่ใช่ไปถึงได้ด้วยการมาการไปในะเรื่องตรงนี้อาจจะใครจะคิดว่าปรินิพานนี่ต้องวิ่งไปไปทางเหนือทางใต้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าอยู่ในกายของเรานี่เองที่กว้างหนึ่งศอกยาวหนึ่งวานะอยู่ในนี้ทั้งหมด<ะ>แล้วก็ถึงแม้ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นบญนม่าเนี่ยจะปรินิพานด้วยอนุปัทธิเศษนิพานธาตุเนี่ย นิพพานก็ไม่เต็มขึ้นหรือว่าลดลงไปด้วยความที่ปรินิพพานอย่างนั้นเราก็สิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นะไม่ใช่ทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นอย่างถ้าเราจะบอกว่าอนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยนะเราจะรู้ความเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเนี่ยก็ต้องได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจถูกไหมแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีในนั้นอืมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคือความเห็นก็ไม่มีในนั้น เพราะฉะนั้นความเห็นที่ว่าเป็นอัตตาเป็นอนัตตาก็จะไม่มีในนั้นค่ะแล้วก็อย่างฟันธงไว้บอกว่าสิ่งสิ่งนี้มีแน่เพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอะไรปรุงไม่ถูกอะไรแต่งไม่ถูกอะไรทํามีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันมีสิ่งที่มันถูกปรุงถูกแต่งถูกทําอยู่เนี่ยสิ่งที่มันไม่ถูกปรุงไม่ถูกแต่งไม่ถูกทำเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันก็คือลักษณะของความสิ้นแปลนหา แล้วก็ยังพูดถึงลักษณะของนิพพานว่าเป็นธรรมที่สงบระ ง, งับประนีดสงบ่เป็นไปเพื่อสละคืนซึ่งความยึดถือเป็นไปเพื่อสิ้นตัญหาใครายกำหนัดดับกิเลสนั่นคือความดับคือ น, นิพพานตรงนี้ค่ะวันนี้โชคดีจังเลยนะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้เลยว่านิพพานหน้าตาเป็นอย่างไร <c oughs> ถึงแม้ว่า <c oughs> ฟังแล้วบางคนดินฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่านิพพานจะมี รูปด้านหน้าตาเป็นอย่างไรรู้แต่ว่ามันคงว่างๆางไปเลยมันแค่เนี้ยจะจะเบรฟเทียเหมือนกับเวลาที่เราทํางานหนักๆเนี่ยคุณโยมติว๋วเราทํางานหนักๆแล้วเราเราไปต่างจาังหวัดเพื่อพักผ่อนอย่างเงี้ยเราต้องการไปหาความว่างความสบายอย่างนั้นนี่คือแบบที่เราพอจะสัมผัสได้ในโลกนะค่ะคือไม่ใช่<ต>ไปเที่ยวเดินท่าอะไรต่างๆอีกแต่ขอว่างๆอย่างเงี้แหละความว่างค่ะซึ่งเจนเอเนี่ยฟังจากที่ท่านพูดมาพร้อมๆกับท่านฝั่งเนี่ยนะคะก็ ดูว่าอุ้ยมันแปลกนะไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ถึงนะคะมาไปเนี่ยไปไม่ถึงแล้วก็ไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนแต่ว่าอะไรนะคะที่บอกว่ามานไปไม่ถึงเนี่ยสิเป็นที่ที่มานไปไม่ถึงเป็นที่ที่มานไปไม่ถึงเนี่ยทุกคนต้องชอบเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าฟังฟังดูก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่แต่พอพูดถึงว่ามานไปไม่ถึงเอ๊ะมันมีมารอบตัวเราเลยเนี่ยเผื่อเขาจะไปไม่ถึงบ้านก็ ไปหานิพพานกันไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้อาจจะมีเวลาที่จะทำความเข้าใจกันเท่านี้มั้งคะท่านคะแต่ว่าท่านต้องมาทําให้พวกเราเนี่ยได้ถึงขนาดท่องจําได้ด้วยนะคะค่ะก็คงจะรบกวนท่านกระเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับเรื่องราวของรายการในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะนี้ค่ะใช่จันเรมปอ ร่สักการขอบพระคุณค่ะท่านฟังคั้งแรน่คือพระอาจารย์ไทรบุญอ ภ, ภิปุณโญ น, นะคะจากวัดป่าดอนไฮสูอุดรธานีค่ะท่านก็ได้เมตตาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของเริยสัตว์สี่นี่ก็ก้าวหน้ากันไปมากแล้วนะคะวันนี้ถึงกับขนาดที่ได้ความรู้ความเข้าใจว่าลักษณะของนิพพานเป็นอย่างไรในเบื้องต้นกันไปใครที่ สนใจว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีวิธีตัดอย่างไรนะคะเราก็มีหนังสือพุทธวจนะที่อยให้ท่านศึกษาได้รับมอบมาจากพระอาจ า, ารย์เพย์คริสิติโัลวัฒน์นาบพงศ์นรุกาคลองศิษย์นะคะวันละสามท่านโทรเข้ามาที่0 2นย์สองสถามคําถามที่นี่ก็ได้ส่วนถ้าท่านถนัดใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ถามไปที่ท่านไพบูลนะคะ kiatma com 1 0 6ค่ะสําหรับดิฉันสังเส น, นาพงศ์นะคะก็จะ ได้นำคำถามท่านพร้อมทั้งได้มากราบเรียนพระคุณเจ้าเสนอสาระพุทธวจนะให้ฟังกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าวันนี้คนจะต้องลากันไปก่อนนะคะพุทธศักรีค่ะ